45, สี่ิบห้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก รกิตวันหรือป่าปาริเลยะกะพระประวัติของพระพุทธเจ้าในปภรษาที่สิบในบาลีพระวินัยไม่ได้บอกว่าทรงจำพรรษาที่ป่าปาริเลยะกะแต่ในคัมพีชั้นอัตกถาเล่าว่าได้ทรงจำพรรษาณป่าปาริเลยะกะนั้นและในคัมภีชั้นบาลีก็ได้เล่าว่าเมื่อได้ประทับอยู่ต่างพระอัธยาศัยแล้ว เสด็จไปยังกรุงสาวัตถีแต่ว่าในคัมภีอัตถคถาได้มีเล่าว่าพวกเศษเเรษฐีคฤหบดีชาวกรุงสาวัตถีส่งพระอานนุ์กับพวกพิสุ์เป็นทูตมาทูลเชิญเสด็จและเมื่อพระอานนุ์ได้เข้าไปสู่ที่ประทับของพระพุทธเจ้าช้างก็ตั้งท่าจะทําร้ายเพราะคิดว่าเป็นศัตรูพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสบอกว่านี่เป็นพุทธอุปถาตามที่เล่าวัในอัตถคฐานี้ เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นภายหลังมากและได้แสดงรายละเอียดต่างๆมากและเรื่องที่ว่าพระอานุ์เป็นพุทธอุปถาคนั้นก็ได้มีเล่าไว้ในที่อื่นว่าพระอานุ์ยังไม่ได้เป็นพุทธอุปถาอีกหลายปีต่อมาจึงรับหน้าที่เป็นพุทธอุปถาเพราะฉะนั้นข้อที่เล่าไว้ในอัตถคถาธรรมบทดังกล่าวข้างต้นเมื่อนําไปเทียบกับที่มีกล่าวไว้ในที่อื่นแล้วความจึงไม่สมกันแต่ก็เป็นเรื่องที่ผ่านพ้นไปนาน และเป็นเรื่องปลีกย่อยไม่สู้มีความสำคัญอะไรมากนะักอุปกิเลสิ1เออันหนึง่งก่อนที่จะเสด็จไปถึงป่า ป, า, ป า, รราริเลยะกันนั้นพระพุทธเจ้าได้ส่งแวะที่ป่าจีนวังสักอันเป็นสถานที่ซึ่งพระเถระสามรูปได้อาศัยอยู่ในขณะนั้นคือพระอนุรุทธะพระนันทิยะ และพระกิมพิลัพท่านทั้งสามรูปก็ได้ถวายการต้อนรับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ได้ทรงธทำปฏิสันถานคือทรงทักทายและได้ตรัสถามถึงการอยู่ร่วมกันของท่านทั้งสามว่าสามคี่ปรองดองกันดีหรือปฏิบัติอย่างไรท่านทั้งสาก็ทูลเล่าถึงวิธีที่ท่านได้ปฏิบัติเสร็จแล้วก็รับสั่งถามถึงว่าอยู่กันด้วยความไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปอยู่หรือ ท่านทั้งส ก, ก็ทูลให้สงทราบและก็ได้ทูลถึงวิธีที่ปฏิบัติต่อกันเกี่ยวแก่วัดในการจัดที่ฉันในการจัดตั้งน้ําใช้น้ําฉันในการทําความสะอาดเป็นต้นดังที่ได้เล่ามาแล้วในข้อวัดปฏิบัติที่เล่ามานั้นในบัดนี้วัดป่าทั้งหลายซึ่งเป็นสํานักพระกรรมฐานในต่างจังหวัดก็ยังถือปฏิบัติกันอยู่เป็นส่วนมากและก็อยู่กันด้วยความเรียบร้อย เช่นว่าพระเป็นผู้จัดอาสนะจัดเตรียนานามน้ําจัดทําความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะเป็นเวรหรือเป็นวาระเป็นต้นนัดเวลากันทําแต่ว่าสําหรับในวัดที่อยู่ในเมืองซึ่งมุ่งหน้าศึกษาเล่าเรียนกันเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้อันหนึ่งเมื่อพระเถระทั้งสามท่านได้รกราบทูลพระพุทธเจ้าถึงวัดปฏิบัติของท่านเกี่ยวกับความเป็นอยู่ทางกายเกี่ยวกับสถานที่ว่าทํากันอย่างไรแล้ว พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามถึงการปฏิบัติทางจิตการบรรลุกุลวิเศษคือการบรรลุถึงผลของการปฏิบัติของท่านว่าท่านทั้งสามมีความไม่ประมาทมีความเพียรและส่งตนไปในด้านการปฏิบัติเพื่อบรรลุผลที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรบ้างท่านทั้งสามก็กราบทูลว่าก็ได้ปฏิบัติทางจิตจนจิตเป็นสมาธิและได้โอภา ค, คือแสงสว่างได้รูปทัศนะคือการเห็นรูป ซึ่งปรากฏในสมาธิจริงแต่ว่าแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นก็อันตรธานหายไปท่านทั้งสามรูปจึงไม่ได้ประสบแสงสว่างไม่ได้ประสบการเห็นรูปไม่รู้แจ้งแทงตลอดนิมิตนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ส่งแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อแก้ไม่ให้อภิพาตและรูปทัศน์นั้นมันหายไปโดยได้ส่งเล่าถึงการปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมา ซึ่งได้ส่งแสดงไว้ในพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งเรียกว่าอุปักกิเลสสูตรมีความว่าเมื่อยังงมิได้ตรัสรู้อย่างทรงเป็นพระโพธิสัตว์ก็ทรงจำได้ว่าได้ทรงประสบโอภาษและรูปธรรนะแต่แล้วก็หายไปจึงได้ทรงค้นหาว่าอะไรเป็นเหตุให้หายไปก็ได้ทรงพบเหตุที่ทำให้หายไปโดยลำดับดังนี้หนึ่ง วิจิตรฉาความสงสัยลังเลใจคือเมื่อเห็นโอภาษเห็นรูปทัศนก็เกิดลังเลสงสัยขึ้นว่านี่อะไรพอเกิดสงสัยลังเลขึ้นโอภาษและรูปทัศนนั้นก็หายไป 2. อ, อมอธสิการการไม่ใส่ใจคือเมื่อโอภาษและรูปทัศนปรากฏขึ้นจิตก็แวบไปเสียทางอื่น ไม่กำหนดแน่นอนอยู่ที่โอภาษและรูปทศนะนั้นเรียกว่าไม่กระทำไว้ในใจโอภาษและรูปทศนะนั้นก็หายไปสามีนัมิทะความงงงุนเคลิคล้มเมื่อเกิดขึ้นก็ทาให้โอภาษและรูปทศนะหายไปสี่ความสะดุ้งหวาดเสียวเมื่อโอภาษและรูปทศนะเกิดขึ้นเห็นรูปทศนะบางอย่างที่น่ากลัว ก็เกิดสะดุ้งหวาดเสียวขึ้นเมื่อเป็นดังนี้โอภาษและรูปธัรมะก็หายไปหาความคิดตื่นเต้นล่วงหน้าคือไม่ทันจะปรากฏโอภาษและรูปทัศนะที่น่าตื่นเต้นแต่คิดคาดไปว่าจะได้ประสบอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ตื่นเต้นขึ้นซะก่อนหรือว่าเมื่อประสบโอภาษและรูปธรรมะบางอย่างที่น่าตื่นเต้นก็เกิดตื่นเต้นขึ้นทันทีเข้าในลักษณะที่ใจฟุ้งขึ้น ก็เป็นเหตุให้โอโาคและรูปตัศน์นั้นหายไปได้ 6. ความที่ร่างกายกระสับ ก, กระส่ายคือเมื่อร่างกายเกิดเมื่อยขบเจ็บขัดกระสับ ก, กระส่ายขึ้นคุมไว้ไม่อยู่โอโภคและรูปตัศน์นั้นก็หายไป 7. ประรบความเพียรจัดเกินไปก็ทำให้โอโาคและรูปตัศนะหายไปได้เหมือนกับจับนกด้วยมือสองมือแน่นเกินไปนกก็ตาย 8ความเพียรย่อหย่อนเกินไปก็ทําให้โอภิพาตและรูปทัศนะหายไปได้เหมือนอย่างจับนกปล่อยมือหย่อนมากไปนกก็บินหนีไปได้ 9. ความกระสิกที่ใจได้แก่เมื่อประสบโอภิพาตและรู ป, ปธรศนะบางอย่างก็มีเครื่องมากระสิกใจได้แก่ความอยากความปรารถนาเมื่อบังเกิดขึ้นก็ทําให้โอภิพาตและรูปทัศนะนั้น หายไป10สัญญาคือความกำหนดหมายรูปที่มีอย่างต่างๆได้แก่เมื่อโอภาษและรูปทัศนะปรากฏขึ้นก็มีสัญญาคือความกำหนดหมายพลาไปมากเมื่อสัญญาพราไปไม่รู้โอภาษและรูปทัศนะก็หายไปสิอความใช้จิตเพ่งพินิษเกินไปได้แก่เมื่อโอภาษและรูปทัศนะปรากฏขึ้น ก็ใช้จิตเพ่งพินิษคาดคันเกินไปทำให้โอภพาตและรูปทัศนนั้นหายไปได้เหล่านี้เรียกว่าอุปิเกลสเครื่องเศร้าหมองของสมาธิซึ่งนับว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองของสมาธิชั้นสูงพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสเล่าถึงการปฏิบัติของพระองค์และเหตุที่ทำให้สมาธิของพระองค์เสียไปรวมบอข้อดังนั้นแล้วก็ได้ตรัสว่า เมื่อได้ส่งคนพบถึงเหตุแล้วก็ได้ส่งระมัดระวังจิตละเหตุที่ทำให้สมาธิเหล่านั้นไม่บังเกิดขึ้นเมื่อส่งละได้แล้วก็ส่งบำเพ็ญสมาธิประสบผลสาเร็จที่สมบูรณ์ก็ได้ตรัสถึงสมาธิที่ได้ส่งรักอันเรียกว่าฌานได้แก่ 1. ได้ส่งอบรมสมาธิที่มีวิตกมีวิจารณ์ 2. ได้ท่งอบรมสมาธิที่ไม่มีวิตก สักแต่ว่ามีวิจารณ์ 3. ได้ทรงอบรมสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ 4. ได้ทรงอบรมสมาธิที่มีปีติ 5. ได้ทรงอบรมสมาธิที่ไม่มีปีติ 6. ได้ทรงอบรมสมาธิที่ประกอบด้วยความสุขสําราญเจ็ได้ทรงอบรมสมาธิที่ประกอบด้วยอุเบกขา เมื่อสมาธิของพระองค์บริสุทธิ์แล้วก็บังเกิดญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นขึ้นว่าวิมุตติของพระองค์ไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติที่สุดไม่มีพบใหม่อีกต่อไปพระพุทธเจ้าได้ตรัสอบรมพระอนุรตธธาเป็นต้นถึงวิธีปฏิบัติในการทำสมาธิและได้ส่งเล่าถึงการปฏิบัติของพระองค์เองที่ได้ปฏิบัติมาและสมาธิที่ทรงได้รับ ตลอดจนผลที่ทรงบรรลุโดยลำดับเป็นข้อแนะนำตักเตือนให้ท่านเหล่านั้นได้ปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทมีความเพียรและทรงตนไปเพื่อให้เจริญด้วยการปฏิบัติจนถึงประสบผลดังกล่าวนั้นการทำสมาธิต่อไปนี้จะได้อธิบายประกอบบางส่วน คือว่าการทำสมาธินั้นจิตกำหนดอยู่ที่อารมณ์อันเดียวเหมือนดังเช่นทำอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกรวมจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยปกติจิตของเราพลาดคือว่าออกไปรู้อารมณ์ต่างๆทางตาบ้างทางหูบ้างเรียกว่าพลาก คราวนี้ก็มารวมใจให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพียงอันเดียวในการปฏิบัินั้นเมื่อตั้งใจรวมจิตเข้ามาให้รู้อยู่ที่ลมหายใจดังเช่นในบัดนี้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ตรงจุดที่ลมหายใจกระทบอย่างเมื่อหายใจเข้าลมหายใจเข้ากระทบที่ปลายกระพงจมูก หรือว่าริมฝีปากเบื้องบนก็ให้รู้ออกมากระทบที่นั่นก็ให้รู้เมื่อได้ตั้งกำหนดอยู่ดังนี้จิตก็มักจะหลบแวบออกไปข้างนอกไม่อยู่จะทำอย่างไรจึงจะมีสติขึ้นมาก็ต้องดึงเอาจิตมาตั้งมากำหนดอยู่ที่นิมิตคือที่กำหนดเหมือนอย่างก่าความที่ยกจิตให้เข้ามาอยู่ที่นิมิตนี่แหละเรียกว่าวิตก วิตกไม่ใช่หมความว่าตรึกตรองอะไรไปเหมือนอย่างที่เราพูดกันแต่ว่าวิตกนั้นหมายถึงคอยยกเอาจิตเข้ามาตั้งอยู่ที่นิมิตของสมาธินิมิตแปลว่าที่กําหนดเหมือนอย่างว่าเรากําหนดจุดที่ลมกระทบที่ปลายกระพุ้งจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนตรงนั้นเรียกว่านิมิตคือที่กาหนดจิตเว็บออกไป ก็จับจิตมาใส่เข้าไว้ที่นั่นนี่เรียกว่าวิตตกเมื่อจับจิตมาใส่เข้าไว้ที่นั่นแล้วก็คอยประคองจิตให้คลุกเคล้าอยู่กับนิมิตนั้นคือว่าให้แน่วแน่อยู่ที่นิมิตนั้นไม่ให้ไปข้างไหนอาการแน่วหรือแซวอยู่ที่นิมิตนั้นไม่ไปข้างไหนนี่เรียกว่าวิจารท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างว่าวิตกนั้น เหมือนอย่างตีระคังดังเง่งขึ้นแล้ววิจารก็เหมือนอย่างเสียงคร่างของระคังวิตกก็จับจิตเข้ามาตั้งไว้ที่นิมิตวิจารก็คอยประคองจิตให้คลุกเคล้าอยู่ที่นิมิตอันนั้นไม่ไปข้างไหนในการทำสมาธิทีแรกจะต้องคอยมีสติจับจิตมาใส่ไว้ที่นิมิตแล้วก็คอยประคองจิตให้อยู่ที่นั่นอยู่เสมอเผลอเมื่อไรจิตก็แวบออกไป คราวนี้ความเร็วของจิตนั้นเราอาจจะกําหนดได้ในตอนนี้เมื่อจิตแวบออกไปนั้นครั้นจับจิตเข้ามาได้ก็ลองสอบสวนดูจะรู้สึกว่าแวบเดียวเท่านั้นแต่ว่าหลายเรื่องเหลือเกินเหมือนดังเช่นว่าเมื่อจับจิตเข้ามาอยู่ที่นิมิตของสมาธิและให้ครุกคล้าอยู่ที่นิมิตนั้นแนวอยู่ที่นิมิตนั้นครั้นได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างนอก กุกกุกจิตมันก็จะแวบออกไปพอแวบออกไปที่นั่นแล้วก <intro> ็ไปเรื่องนั้นไปเรื่องนี้ไปเรื่องโน้นอีกมากมายกว่าเราจะได้สติแล้วก็ชักเข้ามาใหม่คราวนี้ลองสอบสวนดูว่ากี่เรื่องที่แวบออกไปนั้นลองสอบสวนดูก็จะจับเรื่องได้แยะออกจากเรื่องนั้นไปเรื่องนี้ออกจากเรื่องนี้ไปเรื่องโน้นกว่าจะจับตัวเข้ามาได้ ก็ออกไปมากมายหลายเรื่องอันนี้แหละที่เราจะรู้สึกว่าจิตไปเร็วเพียงไรแต่ว่าต้องหัดทาความสงบแล้วก็คอยสอบสวนและเมื่อจิตถูกคอยสอบสวนอยู่ดังนี้แล้วทีหลังถ้าแว บ, บออกไปอีกก็มักจะไม่เป็นไปเรื่องนั้นแต่ไปในเรื่องอื่นแม้ไปในเรื่องอื่นก็จับตัวมาสอบสวนอีกแล้วกลับมาตั้งไว้ใหม่ คราวนี้ถ้าไปในเรื่องอื่นอีกก็จับตัวมาตั้งไว้แล้วก็สอบสวนกันใหม่อีกในการหัดทำสมาธินั้นบางทีในขณะที่รวมจิตไม่ลงมันแวบออกไปอย่างนี้ต้องคอยจับมาสอบสวนกันอยู่ตั้งค่อนชั่วโมงกว่าจะอยู่เพราะฉะนั้นในการจะตั้งใจทำสมาธิต้องใช้ความพยายามที่เรียกว่ามีความเพียรแล้วก็ทาสติ ก็จิตของเราเองนั่นแหละและเมื่อพอควบคุมจิตให้เป็นวิตกให้เป็นวิจารวิตกก็คือว่าตั้งอยู่ในนิมิตของสมาธิวิจารก็คือว่าให้แน่วอยู่หรือว่าแซวอยู่ในนิมิตของสมาธินั้นไม่ให้ตกไปข้างไหนก็จะเกิดผลคือว่าปีติความอิ่มกายอิ่มใจต่อจากนั้นก็เกิดสุขคือว่าความสบายกาย สบายใจเมื่อได้ผลคือปีติและสุขดังกล่าวมานี้จิต จ, จึงจะตั้งมั่นเป็นอุเบกขามีอารมณ์อันเดียวคือเป็นสมาธิที่แน่วแน่สมาธิที่แน่วแน่จะต้องมีอารมณ์อันเดียวแล้วก็เป็นอุเบกขาคือความสงบเฉยไม่รู้สึกเป็นสุขไม่รู้สึกเป็นทุกข์แล้วก็มีอารมณ์อันเดียวอยู่ตัวอุเบกขาดังนี้จะมีขึ้นได้ ก็จะต้องผ่านปีติและสุขถ้าหากว่าทำสมาธิไม่ได้ปีติและสุขอุเบกขาคือสมาธิที่แน่วแน่บังเกิดไม่ได้เพราะว่าจิตที่ไม่มีสุขนั้นสงบไม่ได้จะต้องกระสับกระส่ายจิตที่สงบเป็นสมาธิที่แน่วแน่ที่เรียกว่าอุเบกขาดังนี้ได้นั้นจะต้องเป็นจิตที่มีสุขกายก็มีสุขแล้วก็มือมีสุขดังนี้แล้ว สมาธิที่แน่วแน่จึงจะบังเกิดขึ้นที่เรียกว่าอุเบกขาในที่นี้เพราะฉะนั้นท่านจึงจัดองค์ของปฐมฌานคือความเพ่งที่หนึ่งไว้ห้าได้แก่วิตตกวิจารปีติสุขเอกกตาหรือว่าอุเบกขาเอกกตาก็แปลว่ามียอดอันเดียวคือมีอารมณ์อันเดียวอุเบกขาก็คือว่า วางจิตนิ่งเฉยอยู่ด้วยมีอารมณ์อันเดียวนั้นจะเรียกว่าเอกคตาแปลว่ามีอารมณ์อันเดียวหรือจะเรียกว่าอุเบกขาก็ได้จะเรียกคู่กันทั้งสองอย่างก็ได้แต่มีความหมายถึงสมาธิที่แน่วแน่เป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้าตามที่เล่าในพระสูตรนี้ก็ได้ทรงทมสมาธิมาโดยลำดับในชั้นแรกทีเดียวก็ทรงทำสมาธิที่มีวิตกมีวิจาร เพราะว่าในขั้นเริ่มปฏิบัติจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเริ่มนำเอาจิตเข้ามาตั้งไว้ในนิมิตของสมาธิแล้วก็จะต้องมีวิจาร์คือว่าให้จิตอยู่ที่นิมิตของสมาธินั้นไม่ให้ตกไปข้างไหนเมื่อชำนาญขึ้นก็ไม่ต้องใช้วิตกคือหมายความว่าจิตแน่วหรือว่าแซวอยู่ที่นิมิตของสมาธิอยู่ตัวแล้วก็ใช้เป็นวิจาร์คอยประคองจิตให้แน่วอยู่ที่นิมิตของสมาธินั้น ไมเ่เหนื่อตัวคราวนี้เมื่อจำนาญยิ่งขึ้นวิจารณ์ก็ไม่ต้องใช้อยู่กับปีติคือความอิ่มกายอิ่มใจจิตก็จะอยู่ที่นิมิตของสมาธินั้นอาศัยปีติจำนานขึ้นก็ไม่ต้องใช้ปิติปีติยังมีลักษณะสู้ซ้าสู้ซาทางกายสู้ซาทางใจอย่างที่เรียกว่าปีติทั่วๆไปก็ละปีติอยู่กับสุข คือความสบายกายสบายใจซึ่งเป็นความสุขอย่างสุขคุ้มไม่ปรากฏอาการสู้ซาอะไรสมาธิจานานขึ้นก็ไม่ต้องอาศัยสุขแปลว่าละสุขเสียได้มาอยู่กับอุเบกขาคือความเพ่งเฉยอยู่มีอารมณ์เดียวนี่ก็แปลว่าสมาธิบรรลุถึงขั้นอับปนญาคือขั้นแนว่วแนว่นับว่าเป็นอุตริมนุสธรรม คือทำอันยิ่งของมนุษย์อันนี้ภิกษุไปอดเข้าไม่ได้หมายความว่าหากไม่ได้ถึงแล้วไปอวดเข้าต้องอาบัตถถึงที่สุดคือปาราชิกขาดจากความเป็นภิกษุทีเดียวแต่ว่าถ้าเป็นสมาธิอย่างสามัญชนิดที่มีวิตกวิจารณ์นั่นก็แปลว่าเป็นสมาธิสามัญอย่างต้องคอยจับจิตมาใส่ไว้จิตว่าออกไปก็คอยจับก็ามาใส่ไว้ที่นิมิตของสมาธิ อย่างนี้ถ้าไปอดเข้าก็ไม่เป็นอาบัติถึงที่สุดเพราะว่ายังไม่เป็นธรรมอันยิ่งของมนุษย์รูปนิมิตสองอย่างคราวนี้เมื่อได้ทำสมาธิไปโดยลำดับแล้วจิตเป็นสมาธิยิ่งขึ้นก็จะปรากฏโอภาษคือแสงสว่างขึ้นในจิตและท่านที่ได้มีบารมีอบรมมาบ้างแล้ว ก็จะปรากฏรูปปัฏฐนะคือการเห็นรูปขึ้นเห็นรูปอะไรต่างๆแต่ว่ารูปที่เห็นนั้นก็มีอยู่สองอย่างคือรูปที่เป็นนิมิตของสมาธิอย่างหนึ่งรูปที่เป็นผลของสมาธิอย่างสูงอย่างหนึ่งรูปที่เป็นนิมิตของสมาธินั้นก็คือเมื่อจิตทำสมาธิและเมื่อแวบออกไปสักหน่อยหนึ่งถึงรูปอะไรรูปนั้นก็มาปรากฏขึ้นบางทีก็เป็นสัตว์ บ้างก็เป็นคนบางทีก็เป็นเทวดาแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นภาพอุปาทานหรือว่าเป็นสัญญชัดคือเกิดจากสัญญาคือความที่เคยจำเอาไว้อย่างสัตว์ที่มาปรากฏก็เป็นสัตว์ที่เคยเห็นมาแล้วเคยจำได้มาแล้วคนก็เหมือนกันเทวดาก็เหมือนกันก็เป็นเทวดาที่เคยเห็นมาแล้วอย่างเทวดาตามฝาผนังโบส์นี่เรียกว่า สัญญาชะเกิดจากสัญญาเราเรียกว่าภาพอุปาทานเมื่อมาปรากฏขึ้นก็ต้องให้กำหนดว่าไม่เป็นความจริงเป็นภาพหลงทั้งนั้นคือเป็นนิมิตของสมาธิเท่านั้นไม่ต้องตื่นเต้นในภาพที่น่ายินดีไม่ต้องตกใจในภาพที่น่ายินร้ายในตอนนี้นั่นเองทําให้คนทําสมาธิเสียไปมากเพราะไปหลงในภาพนั้น บางทีก็ปรากฏเป็นพระเสด็จเข้ามาแล้วก็มาแนะนำอย่างนั้นอย่างนี้มาแนะนำให้ไม่นอนก็ไม่นอนแนะนำให้ไม่กินก็ไม่กินข้าวคราวนี้ก็เกิดเป็นโรคเส้นประสาทขึ้นมาเกิดจะตายขึ้นก็ต้องแก้กับเหล่านี้เรียกว่าเป็นภาพลวงทางนั้นมีรายหนึ่งเมื่อไม่สู้นานปีมานี้พระฝรั่งจากไนก้าทำกรรมฐ า, านอยู่ที่จังหวัดชนบุรี ก็มุ่งจะสําเร็จนั่งทํากรรมฐานตลอดวันตลอดคืนก็ปรากฏนิมิตขึ้นคือรู ป, ปธรรมชาติเห็นรูปขึ้นก็เห็นพระเสด็จเข้ามาแล้วก็เสด็จออกไปทางหน้าตาก็เลยตามเสด็จออกไปรุ่งขึ้นก็มีคนมาเห็นนอนสลบอยู่ที่พื้นข้างล่างต้องเอาตัวสโรงพยาบาลแล้วก็ต้องรักษาร่างกายรักษาประสาทกันอีกเป็นเวลานานวันบัดนี้ กลับไปอังกฤษแล้วก็ได้ข่าวว่าไปศึกแล้วคนนี้มีการศึกษาทางโลกมาสูงถึงขั้นปริญญาตรีหรือโททางวิทยาศาสตร์อันนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญที่เมื่อหัดทาสมาธิจะต้องรู้ว่านี่เป็นภาพลวงตาไม่ใช่ภาพจริงเรียกว่าเป็นสัญญชะเกิดจากสัญญาหรือว่าเป็นภาพอุปาทานอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นภาพจริงอย่างที่ปรากฏแก่บางท่าน อย่างในประโสดนี้ที่พระอนุรุทธะกราบทูลพระพุทธเจา้าและพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสแนะนํานี้ท่านก็แสดงว่าเป็นภาพจริงอันนี้เรียกว่าเป็นพวกทิปจักษสุ ค, คือตาทิปแต่ว่าน้อยคนนักที่จะประสบภาพจริงแต่ว่าแม้เช่นนั้นในขั้นปฏิบัติภาพที่ปรากฏขึ้นก็ยังหายไปได้ซึ่งพระอนุรุทธะก็ยังหาทานแก้ไม่ได้ ถึงพระพุทธเจ้าได้มาส่งแนะนําถึงอุปกิเลส ข, ของสมาธิสิบเอข้อดังที่กล่าวมานี้เมื่อบําเพ็ญสมาธิชั้นสูงได้อย่างนั้นและเมื่อบังเกิดความมืดขึ้นอย่างโอภาษ์บังเกิดขึ้นก็บังเกิดแสงสวา่างครั้นโอภาษหายไปก็มืดรูปปัตตสนาปรากฏขึ้นก็เห็นภาพเมื่อหายไปก็ไม่เห็นอะไร นี่ก็เพราะเหตุว่ามีอุปกิเล์เคลื่อนเศร้าหมองส1บอย่างดังที่ได้กล่าวมาโดยลำดับแต่ว่าแม้ในการบำเพ็ญสมาธิชั้นสามันก็ต้องระมัดระวังบ้างเหมือนกันถ้ามีอุปกิเลสเหล่านี้เช่นว่าเกิดสงสัยขึ้นมาเป็นต้นจิตก็จะออกจากนิมิตของสมาธิแปลว่าพลัดตกก็ต้องละความสงสัยนั้นแล้วก็ยกจิตเข้าไปตั้งในนิมิตของสมาธิใหม่แปลว่า เริ่มใช้วิธีวิตกวิจารไปใหม่ดังกล่าวมาแล้วตอนนี้จะได้กล่าวถึงพระประวัติของพระพุทธเจ้าสืบต่อไปในพระบาลีได้เล่าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่ป่ารักกิตวันแถบบ้านปาริลเลยกะกัซึ่งมักเรียกกันว่าป่าปาริเลยกะกัหรือป่าเลไลในภาษาไทยตามที่ทรงพอพระทัยแล้วก็ได้เสด็จไปสู่กรุงสาวัตถี ประทัพณพระเชตวันซึ่งเป็นอารามที่เศรษฐีอนาถบิณฑิกะสร้างถวาย